เวลาที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศสัจจะทั้งสี่วางไว้ในมือของพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเนี่ยนะก็ถามว่าผู้ที่รับพระธรรมมากที่สุดเนี่ยนะในพระพุทธศาสนาเนี่ยคือใครก็บอกว่าพระสารีบุตรนี่แหละเปรียบเหมือนเวลาที่พระราชาทรงเก็บเครื่องประดับของพระราชโอรสเหล่านั้นเอาไว้ในหีบใหญ่สี่ใบแล้วเอาหีบใหญ่ทั้งสี่ใบไปวางไว้ที่มือเชษฐโอรส เชตโอรสลูกชายคนโตก็เหมือนกับพระสารีบุตรนั่นแหละด้วยเหตุนั้นพระองค์จึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสารีบุตรเป็นผู้สมควรจะบอกสมควรจะบัญญัติสมควรแต่งตั้งสมควรเปิดเผยสมควรจำแนกสมควรทำให้ตื้นซึ่งอริยสัจสี่โดยพิสดารหรือว่าพระสารีบุตรเนี่ยนะมีความสามารถสมควรจำแนกอริยสัจสีโดย พิสดารภาษาราบุตรมีความสามารถที่จะบัญญัติอริยศาสตร์สีโดยพิสดารสามารถแต่งตั้งอริยศาสตร์สีโดยพิสดารจำแนกเปิดเผยทําให้ตื้นซึ่งอริยศาสตร์สีได้โดยพิสด า, สารเพราะภาษาราบุตรจึงเป็นเหมือนกับเชื้อทร์ลูกชายโอนโตผู้ฉลาดมีความรู้มีความสามารถเพราะฉะนั้นมรดกเหล่าใดที่ น, นะที่ควรจำแนกแบ่งปันเนี่ยนะให้ไปอยู่ในมือของภาษาราบุตรเพราะภาษาฤาบุตรสามารถ แสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยทําให้ตื้นทําให้ง่ายขยายให้พิสดารซึ่งอริยสัจสี่ประการออกไปทีนี้เวลาที่พระภิสุสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยนะเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าสมัยจวนเข้าพรรษาสมัยพุทธกาลเนี่ยนะเขาจะมีการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าครั้งใหญ่ๆอยู่สองครั้งครั้งแรกครั้งแรกคือก่อนเข้าพรรษาก่อนเข้าพรรษาพระพิสุทั้งหลายก็มาเพื่อจะรับกรรมฐานก็หลั่งไหลมาจากทิศ ต, ต่างๆ แล้วก็ครั้งที่สองก็คือออกพรรษามาแล้วพิสูจนทั้งหลายก็มาจากทีต่ต่างๆมาเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อทูลผลของการปฏิบัติพันก่อนเข้าพรรษามาถามข้อปฏิบัติหลังจากออกพรรษาแล้วมาแสดงผลแห่งการปฏิบัติให้พระพุทธเจ้าฟังเนี่ยนะนั้นเมื่อพระพิสูจน์เหล่านั้นเนี่ยนะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเขาบอกว่ามหาหัตถิปโทปมัสูตรเป็นสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงก่อนอเป็นสูตรที่ภาษาริบุตรแสดงก่อนเข้าพรรษา จวนเข้าพรรษาเต็มทีวันเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงส่งภิกษุทั้งหลายไปยังสำนักของพระธรรมเสนาบดีสาริบุตรบางทีเนี่ยพระพุทธเจ้าให้พระภิกษุเนี่ยไปลาพระสาริบุตรประจำนะบอกว่าข้าพระองค์มาลาพระองค์เพื่อจาริกไปสู่ทิศ ต, ต่างๆพระเจ้าค่าบอกเธอลาสาริบุตรหรือยังเนี่ยนะบอกยังเออเธอควรไปนะเพราะ พวกเธอจงเสพจงคบสารีบุตรโมคขลานะเถิดเพราะอะไรเพราะภิกษุทั้งหลายสารีบุตรโมคขลานะเป็นบัณฑิตเพราะพระสารีบุตรพระโมคขลานะเป็นผู้ที่ฉลาดในขันอายตนะธาตุเป็นผู้ฉลาดฐานะอฐานะพระสารีบุตรเป็นพระโมคขลานะเป็นผู้ฉลาดในประโยชน์ตนเป็นตน้นและขณะเดียวกันพระสารีบุตรมีใจกรุณาต่อเพื่อนสะพรมจารีพระสารีบุตรนั้นเป็นผู้ที่หวังปลดเปลื้อง ความทุกข์ของภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลายภาราบุตรเป็นผู้ที่หวังประโยชน์หวังเกื้อกูลหวังอนุเคราะห์ต่อภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเพราะฉะนั้นจงไปเข้าหาจงไปนั่งใกล้จงไปคบอะจงไปเงี่ยโสดลงฟังธรรมจากภาราบุทธพระโมกขลานะเธอท่านเหล่านั้นเป็นผู้ฉลาดแล้วก็เป็นบัณฑิตสา ม, มารถจำเนกสา ม, มารถที่จะแสะดงธรรม คืออริยสัจของพระผู้มีพระภาคจำแนกให้พิสดารได้เนี่ยเดี๋ยวข้างหน้าต่อไปจะมีสูตรหนึ่งเรียกว่าวิพังคสูตรเกี่ยวกับพระษาริบุตรจำแนกอริยสัจโดยพิสดารเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเปรียบเหมือนอไรถ้าหาว่าพระพิสูตรเหล่าใดเข้าไปเฝ้าบพระพุทธเจ้าพระองค์ก็จะส่งไปหาภาษาริบบทเปรียบเหมือนพวกโอรสเป็นพันเนี่ยนะเข้าไปเฝ้าพระราชาพระราชาก็โน่นไปหาพระพี่ชายไปไปหาพระ เชสโอรสพี่ชายองคโตรไปเวลาที่ภิกษุทั้งหลายฟังพระดํารัสของพระศาสดาก็เข้าไปหาพระธรรมเสนาปดีสารีบุตรอาราธนาให้แสดงธรรมคือไปถึงเนี่ยนะพระสารีบุตรก็บอกว่า พ, พอเข้าไปหาพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็จะถามว่าเออพวกท่านเนี่ยประพฤติพรหมจรรย์นในพระพุทธเจ้าเนี่ยประพฤติทําไม พิสูจน์ทั้งหลายเหล่านั้นท่านก็ฉลาดนะโอ้เนี่ยที่มาก็เพื่อจะมาแจ่มแจ้งเนื้อหาเหล่านี้ในสำนักของภาษาฤาษีบรนั่นแหละขอร้องเถอะขอให้ภาษาฤาษีบรแสดงไว้เถิดเดี๋ยวพวกข้าพเจ้าทั้งหลายจักทรงจำเอาไว้ภาษาฤาษีบทก็จัดแสดงทำไปเปรียบเหมือนเวลาที่เหล่าพระรโอรสฟังพระดํารัสของพระราชาแล้วเข้าไปยังสำนักของเชษฐโอรสพี่ชายคนโตแล้วขอเครื่องประดับฉะนั้น เวลาที่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเริ่มพระสุตตันตะคือพระสูตรนี้แล้วก็วางมาติกาหัวข้อโดยอริยสัจสีว่ากุศลธรรมเราไดเหล่าหนึ่งทั้งหมดกุศลธรรมทั้งหมดนั้นประชมลงที่อริยสัจสี่แสดงว่าตั้งหัวข้อเรื่องอริยสัจซึ่งเป็นหัวข้อที่ใหญ่มากเนี่ยนะเสร็จแล้วอริยสัจแสดงทีเดียวรวดพร้อมกันเลยสีได้ไหมหัวข้ อ, อได้ แต่ลงรายละเอียดพร้อมกันยากว่างั้นเพราะฉะนั้นก็เว้น3อย่างก็คือยังไม่พูดถึงสัจจะสเอาเฉพาะทุกขาริยศสัตว์มาแสดงโดยแสดงขันหเนี่ยเปรียบเหมือนการเว้นหีบสาใบแล้วก็เปิดใบเดียวเอาหีบเล็กออกมาหใบฉะนั้นทีนี้ภาษาริบุตรก็เว้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแสดงเฉพาะรูปประขันและรูปประขันก็แบ่งออกเป็น5ส่วนคือมหาภูตรูป4ี่และรูปที่อาศัย มหาภูตรูป4เนี่ยนะเว้นมหาภูตรูปสามและอุปาทายรูปเอาเฉพาะปฐวีธาตุมาจําแนกเป็นสองอย่างเป็นภายในกับภายนอกภายนอกเอาไว้ก่อนแสดงแต่เฉพาะภายในโดยพิสดารโดยอาการ20เนี่ยนะแต่แล้วก็ค่อยๆจําแนกมหาภูตรูปสามจำแนกอุปาทายรูปจําแนกอรูปประคันแล้วก็ประชุมลงอริยสัจในตอนท้ายอีกครั้งหนึ่งก็เป็นอันสรุปเนี่ยนะคือคือไม่ใช่ว่าท่านจะ ไม่แสดงะนะท่านจะพอจำแนกธาตุดินจบก็จำแนกธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมจำแนกสีเสียงเปลี่ยนรสจำแนกรูปเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันแล้วก็ปฏิจจสมุปาแล้วก็ประชุมลงอริยสัตว์ในตอนสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเป็นลักษณะธรรมเทศนาที่พระสารีบุตรแสดงไว้โดยย่อเนี่ยนะนี่ย้อนกลับมาข้อความในพระสูตรเนี่ยนะ ขึ้นต้นเลยอธิบายเพิ่มเล็กน้อยบอกว่าพระสารีบุตรเอาทุกขารยาศัตร์มาจําแนกโดยพิสดารเนี่ยนะทวนอีกครั้งว่าทุกขารยาศัตร์มีอะไรบ้างแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์เนี่ยนะความเกิดก็เป็นทุกข์เนี่ยนึกถึงใครเกิดดีใครเกิดเว้ยคนอื่นเกิดก็เกิดไปแต่ถ้าเราเกิดแล้วแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์เดี๋ยก็ที่เราจะเกิดอีกแล้วนั่นี่เมื่อเกิดแล้วเราจะแก่อย่างนี้อีกแล้วนันี่เหมือนกันนะ เมื่อแกแล้วก็จะตายอีกแล้วนะนี่เนี่ยนะโอ้ยถูกเผาไปกี่ชาติแล้วนี่เนาะเหมือนกันนะนะเกิดก็เรานี่แหละแก่ก็เรานี่แหละตายก็เรานี่แหละเนี่ยนะโศกโสกกะปริเทวะเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างที่ที่เราคิดว่าจะไม่สร้างปัญหาให้แก่เราเลยเนี่ยนะจะไม่สร้างความไม่สบายใจให้แก่ตัวเองเลยเนี่ยมีไมเอาโดยเฉพาะในร่างกายของเราเนี่ยมีไหมส่วนไหนที่จะ แหม่สบายใจหมดคิดถึงเมื่อไหรแล้วก็สบายใจเหลือเกินเนี่ยบอกเอาเข้าจริงๆแล้วมีไหมเพราะทุกส่วนแห่งร่างกายเป็นที่ตั้งแห่งความไม่สบายใจได้ทุกชิ้นเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งความโศกความรําพันเนี่ยทวารตาเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความไม่สบายใจไหมเป็นเนี่ยนะไม่ว่าจะตาหูจมูกลิ้นกายใจมาจากส่วนไหนทุกอย่างเหล่านั้นก็เป็นที่ตั้งแห่งความไม่สบายใจได้ทั้งหมดเลยเนี่ยนะนั่นก็ ต่อ ไ, ไปบอกว่าไอ้มหาภูตรูปสีเนี่ยนะเพราะว่าอะไรเพราะความทุกข์เนี่ยนะขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นเนี่ยนะคือรูปรูปประกอบด้วยมหาภูตรูปสี่และอุ ป, ปาทายรูปสี่มหาภูตรูปสี่มีปทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและวายโยธาตุเนี่ยนะนี้ก็มาลงรายละเอียดว่า ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายปฐวีธาตุเป็นไงธาตุดินเนี่ยนะธาตุดินธาตุดินเนี่ยเป็นไงปฐวีธาตุเนี่ยก็แบ่งออกเป็นสองส่วนคือที่เป็นภายในก็มีที่เป็นภายนอกก็มีดูภายในก่อนปฐวีธาตุที่เป็นภายในเนี่ยเป็นไ น, น, นปฐวีธาตุภายในก็คืออุปาทินกะรูปอันเป็นภายในอุปาทินกะรูปแปลว่ารูปที่ถูกใครสร้างขึ้น อุปาทานหรือกรรมและอุปาทานเนี่ยคิดง่ายว่าตันหาอุปาทานพบสร้างขึ้นน่ะตันหาอาวิชากรรมเนี่ยเป็นตัวสร้างรูปเหล่านั้นขึ้นรูปเหล่านั้นเรียกว่าอุ อ, อุปาทิ น, นะกะรูปรูปที่ถูกตันหาทิฐิเป็นต้นเนี่ยสร้างขึ้นที่เป็นของภายในในก็แปลว่าอะไรเฉพาะตนคำว่าปฐวีธาตเุเน้นไปที่แค่นแข็ง แล้วก็เป็นสิ่งที่กักขระคือหยาบเนี่ยนะที่แข่นแข็งแล้วก็หยาบถ้าเทียบกับธาตุอื่นๆเนี่ยนะเทียบกับธาตุลมธาตุไฟเป็นต้นเนี่ยปฐวีธาตุนี้ถือว่าเป็นธาตุที่หยาบประกอบไปด้วยอะไรบ้างปัจจัปัญจกะก่อนก็บอกผมคนเล็บฟันหนังเนี่ยนะผมก็ลักษณะที่หยาบขนเล็บฟันหนังแต่ละอย่างก็เป็นลักษณะที่หยาบอันนี้ก็ถ้าถ้าถ้าเปรียบเหมือนกันเลยนะ เคยเคยเห็นเขาเขาชำระะโคไหมบอกว่าได้โคมาตัวหนึ่งเนี่ย น, นะก็ตอนที่ที่โคมันเดินจูงมาก็ยังเรียกว่าโคฆ่าแล้วนอนอยู่ก็ยังมองดูว่าเป็นโคเนี่ย น, นะแต่ถ้าเริ่มชำละแล้วพอเริ่มชำหละแล้วนะวิธีชำหละโคก็เอาโคเนี่ยนอนหงายก่อนแล้วกรีดท้องกรีดเฉพาะส่วนที่เป็นหนังแล้วก็แล่แ ล, ล, ล, ล่ออกมามันก็จะเป็นท่อนเสือปูแล่ซ้ายเลขขวาแล้วก็ ค่อยๆตัดเอาขาออกทีละขาทีละขาพอตัดขาออกเสร็จก็จะค่อยๆแล่นเนื้อแล่นเนื้อออกแล้วค่อยๆเข้าไปจัดการกับเครื่องในเป็นต้นเนี่ยนะก็จะเรียกว่าก็เอาไปแขวนขายต่อไปฉันใดเนี่ยนะถ้าพิจารณาบอกว่าตอนแรกเนี่ยนะตอนที่เดินมาเราก็เรียกว่าเป็นโคตอนที่นอนเนี่ยนะนอนเชือดอ่นนะก็กลายเป็นโคถ้าชำแหละเสร็จแล้วเป็นอะไรเขาขายโคไหมไปซื้อโคมาสองกิโอย่างเงี้ยนะ ไม่เขาเรียกอะไรไปซื้อเนื้อซื้ออะไรเป็นต้นเน่ยเขาเรียกว่าเนื้อเรียกว่าอย่างอื่นไปแล้วเนี่ยนะชั้นใดกายนี้ก็เหมือนกันตอนที่ยืนเดินนั่งนอนทั่วไปก็เรียกว่าเป็นเป็นคนนั้นเป็นคนนี้เป็นคนเป็นสัตว์แต่ถ้ามีการใช้ศาส ต, ตร์ตาคือปัญญาจำเนกออกมาเป็นปะทวีธาตที่มีอยู่ภายในกายนี้แล้วเหลือใครเพราะฉะนั้นคนผ่านผู้ตกอยู่ภายใต้อำนาจความลุ่มหลงเนี่ยนะพอฟังอย่างนี้แล้วผวาเลยนะ ถ้ลองคิดเออเอาผมคนเล็บฟันนังออกไปนะก็แกล้วไปอีกไหมเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตเนี่ยเอาออกไปหัวใจตับพังผืด ม, ม้ามปอดเนี่ยเอาออกไปไส้ใหญ่ซ้ายรัดไส้อาหารใหม่อาหารเก่าบอกเอาเหลือใครแล้วกันเนี้เอาหมดแล้วนะหมดแล้วตอนแรกก็บอกแม้เราว่าเป็นของเราเพราะชํำแหละแยกแย ก, แยกออกไปเนี่ยแล้วเป็นใครเป็นของใครล่ะก็เป็นเป็นปฐวีธาตุเนี่ยนะเป็นปฐวีธาตุที่แข่นแข็ ง, แ, ขงแล้วก็เป็น ของหยาบหรือปฐวีอันใดอีกเนี่ยนะซึ่งเป็นอุปาทินกะรูปอันเป็นภายในของเป็นของเฉพาะตนที่เป็นของแข่นแข็งความแข่นแข็งเนี่ยนะลักษณะที่แข่นแข็งเนี่ยที่อยู่ภายในร่างกายของเรามีเฉพาะในผมเล็บผมขนเล็บฟันหนังใช่ไหมอยู่เฉพาะในเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกหัวใจตับทางพืชเป็นต้นใช่ไหมเลือดเนี่ยแข็งตัวได้ไหมได้ เอ็นเนี่ยอะไรเลือดน้ำตาเนี่ยแข็งเกะกลังได้ไหมแข็งได้ไหมได้และอะไระน้ำมูกเนี่ยเกาะตัวเป็นของแข็งก้อนแข็งได้ไหมบอกว่ได้น้ํามันเหลวเนี่ยปั้นมาเป็นก้อนได้ไหมได้เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าคลักษณะที่แข็นแข็งเนี่ยมันไม่ใช่อยู่เฉพาะในผมเล็บขนหนังฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยืเ่อในกระดูกเป็นต้นมันแข็นแข็งเนี่ยบางทีมันอยู่ในเลือดด้วยนะอยู่ในน้ําตาใช่ไหมอยู่ในน้ําดีน้ําดีเนี่ยเป็นนิ้วได้ไหม ได้เนี่ยก็เป็นก้อนแข็งได้เนี่ยนะน้ำเลือดก็จับก้อนเป็นของแข็งได้เนี่ยนะหรือแม้กระทั่งมันเหลวเป็นต้นพวกนี้ก็จับตัวเป็นของแข็งได้ลักษณะที่แข่นแข็งนั่นแหละเรียกว่าเป็นปะทวีธาตุที่มีอยู่ภายในกายนี้เนี่ยนะปทวีธาตุทั้งที่เอ่อหรือแม้กระทั่งว่าปะทวีธาตุเนี่ยนะที่อยู่ในส่วนอื่นๆของธาตุต่างๆก็ได้ก็นับเนื่องว่าเป็นปะทวีธาตุ บัณฑิตพึงเห็นปัทวีทาธาตุนั่นด้วยปัญญาอันชอบชอบนี่แปลว่าอะไรชอบเห็นใช่ไหมปัญญาอันชอบแปลว่าอะไรแปลว่าถูกต้องด้วยปัญญาอันถูกต้องตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าความจริงเลยนะความจริงของผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยความจริงของปัทวีทาธาตุที่มีลักษณะแข่นแข็งเนี่ยนะความจริงของปัทวีทาธาตุคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกอะนะ หัวใจตับพังผืดม้ามปอดไส้ใหญ่สายรัดไส้อาหารใหม่อาหารเก่าความแข่นแข็งทั้งมวลที่อยู่ในกายเนี่ยแล้วความจริงมันคืออะไรเห็นให้มันตรงตามความเป็นจริงความจริงมันไม่ใช่ของเราเานะบอกว่ามันจะเป็นของเราไหมล่ะมันะ เ, เป็นภาระขนาดไหน อ, เ, อเขาบอกว่าของถ้าเป็นของเราจริงมันนำมาซึ่งความสบายใช่ไหมเอาเหอะใครที่มีร่างกายมาเนี่ยถามจริงอ่ะบริหารร่างกายอย่างมีความสุขไหม